นิคมะคถ า, าเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่ตามเป็นจริงเราและพวกเธอจึงต้องท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆตลอดเวลานานแต่เพราะได้เห็นอริยสัจสี่เราและพวกเธอจึงถอนตันหาที่จะนำไปเกิดได้ตัดรากแห่งทุกข์ได้เด็ดขาดบัดนี้จึงไม่มีการเกิด อีกต่อไป